พี่น้องครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เราจะเข้าสู่ธรรมเพราะว่าวันที่27สัปดาห์สุดท้ายนะครับเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราทั้งหลายจะมีชีวิตที่ดํารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้สิ่งที่สําคัญที่เป็นหัวใจของเทศกาลนี้หลักๆเลยก็คือการพิเคราะห์พิจารณาตัวเอง พระฉะนั้นในชาวันนี้ในบ่ายวันนี้นะครับหัวข้อของผมที่จะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือสํารวจตัวเองและพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจตัวเองนะครับอยู่ในสุุติบทที่หนึร้อยสามสเป็นหลักใหญ่ในพระคัมภีร์ตอนที่เราได้อ่านไปแล้วครับจนถึงข้อที่17เนี่ยเราสามารถแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงพระชนะของพระเจ้านะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องที่จะร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่ข้าพงศ์หลายได้อยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาพรชนะของพระเจ้าและให้พระคําของพระองค์นั้นเป็นโคมส่องเท้าของข้าพงศ์ทั้งหลายและเป็นสว่างตามทางเดินมันคาของข้าพงศ์หลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรประทานสติปัญญาและสถิตนั่ามกลางข้าพงศ์หลายเหนือข้าพงศ์หลายเพื่อที่ให้แสงสว่างแห่งพระชนนั้นทําให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายได้เปลี่ยนแปลงไปตามนามาไทัยของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบเวลาต่อไปนี้อยู่ภายใต้การส่งนำของพระญาณบริสุทธิ ไรกรากบทูลในที่ฐานในพระ น, นามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับเราอยากจะให้คนอื่นเห็นชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนเห็นหน้าตาของเรามากน้อยขนาดไหนผมถามพี่น้องก่อนนะครับอยากให้คนอื่นเห็นแบบตอนลุกขึ้นมาจากเตียงไหมครับอยากไหมครับอยากไหมไม่อยากเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าพูดถึงสุภาพสตรีนะครับเรายังไม่ทันแต่งหน้าเลยนะหรือยังไม่ทาแป้งเลยนะถ้าเราให้คนอื่นเห็นก่อนที่เราจะทาแป้งแต่งหน้านี่นะพี่น้องจะเห็นอีกคนหนึ่งแล้วนะสําหรับสุภาพบุรุษอาจจะต้องขยี้ตาต้องหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยต้องล้างตาเอาขี้ตาออกเมืนน่อถึงจะพบกับคนอื่นได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ย เวลาเรามองเข้าไปในกระจกตอนเช้าผมเทศนาบอกว่าถ้าเราเซลฟี่ตัวเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรพอเวลาเรามองในกระจกปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นความไม่เรียบร้อยนะตอนเราตื่นเช้าเชาขึ้นมาแล้วเพื่นลองรู้ไหมครับว่ากระจกเนี่ยเป็นตัวสะท้อนหรือเป็นตัวบอกกระจกที่ดีกระจกที่ดี ก, ก, ดก็ทําให้เราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับบางคนเนี่ยต้องไปซื้อกระจกเขาเรียกอะไรนะกระจกพิเศษใช่ไหมครับมันเป็นกระจก เว้าวหรือกระจกนูนผมไม่ทราบนะมีข้างหนึ่งนูนข้างหนึ่งเวลนะนะพอเราส่องสิวเนี่ยเราจะเห็นสิวเรื่อนี้ขยายบื้เริ่มเลย <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ไปแกะสิวได้หรือทําอะไรกับสิวของเราหรื อ, อรที่เรามองไม่ค่อยชัดในกระจกธรรมดาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันขยายออกชีวิตของเราเนี่ยต้องการกระจกแบบนั้นนะครับเพื่อที่เราจะตรวจสอบตัวเองได้หลายหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเรามองเข้าไปในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะพระเยซูสอนบอกว่าให้เรามองชีวิตตัวเองก่อนไปมองชีวิตคนอื่น ก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นนะก่อนที่เราจะเขี่ยผงออกจากตาของเพื่อนบ้านนะเราต้องดูก่อนว่าตั ว, ตวเราเนี่ยมีอะไรมีซุงทั้งท่อนอยู่ในตัวบางทีเราไม่รู้นะครับจากตรงนี้ที่เองเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาดูใหม่ครับว่าเวลาที่เราเข้าสู่ธรรมเนี่ยเราจะต้องสังเกตตัวเองนะครับอย่างไรอะไรบ้างถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้านะฮะหนึรามสเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าใน ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หนะครับเราจะเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องได้ใครมีสมาร์ทโฟนก็เปิดนะครับพระกัมภีนะครับหรือใครมีพระกัมปีส่วนตัวก็เปิดพระกัมภีรส่วนตัวเราจะเห็นคําสอนที่อยู่ที่นี่ในข้อที่หนึ่งข้าแต่พระยาโฮวาพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์ตรงนี้เราให้เราอ่านหลายรู้ว่าคนที่จะตรวจสอบคนอื่นได้มีแต่ผู้เดียวคือ พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นคนที่ผู้เดียวเป็นผู้เดียวที่มีคุณสมบัติที่จะตรวจสอบชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้และการที่เรามองชีวิตของเราด้วยสายตาของพระเยซูทำให้เราสามารถรู้จักความจริงนะครับอย่างที่เราเป็นหลายครั้งทีเดียวเราไม่ยอมเปิดเผยตัว เ, เองให้กับคนอื่นรู้ว่าตัวเองนั่นมันมีมุมมืด หรือมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่บางคนไม่เห็นและเราไม่สามารถเปิดเผยได้เพียงนะครับคำว่าธรรมม พ, พิธรรมภิบาลเนี่ยมันรวมถึงความโปร่งใสเรียกทันสปาร์เซนะเราต้องโปร่งใสให้ทุกคนสามารถเห็นชีวิตของเราได้และการโปร่งใสเนี่ยเกิดจากการตรวจสอบและมีระบบการติดตามที่ดีตรวจสอบที่ดีมันถึงจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยโปร่งใสได้ถึงจะทําให้ชีวิตเราเน่ยอยู่ในธรรมมาพิบาลอยู่ในธรรมของพระเจ้าได้ เพราะฉะนั้นผู้เดียวที่มีสิทธิในการตรวจสอบก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานะครับพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราทำงานผ่านใครครับทำงานผ่านสองอย่างครับพี่น้องทำงานผ่านพระเชนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าตรวจสอบชีวิตของข้าพง์และรู้จักข้าพระองค์ไม่ว่าเราจะยืนจะนั่งจะลุกพระองค์ทรงทราบหมด สิงที่สำคัญผมอยากจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับคนคนนี้ชื่อว่าเดนิสไวส์เดนิสไวส์เนี่ยเป็นคนที่คลั่งคล้เอลวิสมากเลยที่น้องจากเอลวิสใช่ไหมครับนะคนคนนี้เป็นคนที่คลั่งคล้เอลวิสมากเขาติดตามเอลวิสตลอดไม่ว่าเอลวิสนีจะไปเปิดการแสดงที่ไหนเขาตามไปเขาเก็บของที่ลึกนะครับที่โรงงานต่างๆหรือสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะชั้นผสมเอลวิสเนี่ยเก็บของที่ลุกระลึกเนี่ยทุกชิ้นเลย บ้านของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยรูปของ e อ v ว s สเต็มไปด้วยของที่ลึกอะไรต่างๆที่ระลึกถึงเอ v ว s รู้จักหมดเลยแต่เมื่อคนไปถามเดนิสไวส์บอกว่า d n n นิสไว s ์คุณเคยเจอเอลวิสส่วนตัวหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมครับเขาตอบว่าไงผมไม่เคยเจอเอ v ว s สเป็นการส่วนตัวเลยเป็นสิ่งทน่าเสียดายใช่ไหมครับสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความคลั่งไคล้ไหลหลงนะีย ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าเป็นนักดนตรีหรือนักร้องที่เขาเนี่ยชอบแต่ในที่สุดเนี่ยก่อนที่เดวิสจะตายนะหรือนักร้องคนใดคนหนึ่งที่เขาคลั่งใครใดหลงจะตายน่าเสียดายใช่ไหมครับเขาไม่เคยเจอเลยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับหลายหลคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าที่เรามาโบสถเรามาเจอพระเจ้าทั้งที่เรา ไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเลยเรารู้จักพระเจ้าแค่สมองแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าที่หัวใจครับเนื่องจากตรงที่เราไม่รู้จักพระเจ้าที่หัวใจเนี่ยเราไม่เคยพบหรือไม่เคยประสบกับพระเจ้าได้ยินแต่คนเขาเล่าเรื่องพระเจ้าแล้วเราก็เดินเข้ามาอยู่ในทางนี้เราก็เดินไปเรื่อยสิบปี20ปีสาสิปีผ่านไปแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเลยและด้วยเหตุนี้นะครับทําให้หลายคนเนี่ยถือ ศาสนาไม่ได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและเหตุนี้เองฮะัทำให้หลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสนะมาโบสถนะมาทำงานมารับใช้พระเจ้ามาถวายทรัพย์หลายสิ่งหลายอย่างนะทำให้เขาเนี่ยสํมอะไรฮนะก็เรียกว่าแอดซูมหรือว่าเราเมาเอานะทึกทักเอาว่าเนี่ยเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วแต่จริงๆเนี่ยความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวไม่มีพี่น้องครับ พระเจ้านั้นทรงรู้จักเรานะครับให้เราดูต่อไปในข้อที่สองเมื่อข้าพระองค์นั่งลงหรือลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบและพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลหัวข้อแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องคือว่าพระเจ้ารู้จักเราไม่ว่าเราจะนั่งลงลุกขึ้นจะนอนจะเดินจะทําอะไรก็แล้วแต่พระเจ้ารู้จักเราทั้งหมดและพระเจ้าเข้าใจความคิดของเราด้วยพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งไหนที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยที่เข้าใจยากที่สุด มีอยู่สอย่างครับอารมณ์และความคิดอารมณ์นี้ไม่มีเหตุผลครับความคิดเนี่ยมีเหตุมีผลแต่เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราคิดแบบเบาๆคิดแบบไม่มีเสียงไม่มีใครเข้าใจเราได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นในการสำรวจตัวเองนั้นเราต้องยอมให้พระเจ้าเนี่ยเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าเซิร์ชเข้าไปพระเจ้าเปรียบเสมือนกับเป็นเซิร์ชเอนจินเข้าไปในชีวิต ถ้าเราคิดคำว่าบาปเนะี่ยเ e ิร์ช e นนี้จะเข้าไปแล้วบอกว่าบาปเรามีอะไรบ้างตึกๆๆๆๆเราจะไม่มีวันเข้าใจคำคำนี้ได้เลยนะครับอย่างลึกซึ้งในสมัยนี้จนกว่าเราใช้คำว่า Search Engine ก็คือ Search เข้าไปมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติหรือเปล่ามีคนถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์เวลาที่ฉีดสีเข้าไปเนี่ยนะนะเพื่อที่จะถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สแกน เจ็บไหมผมบอกว่าไม่เจ็บครับสีเนี่ยมันเข้าไปนี่ยมันก็ไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ที่ไม่ปกติแล้วเวลาถ่ายเอ็กซเรย์ออกมาโป้บเนี่ยนะครับไอเซลล์ที่ไม่ปกตินี่มันก็โชว์บนฟิล์มเอ็กซเรย์หรือโชว์หน้าจอคอมพิวเตอร์เขารู้ว่าตรงนี้นะมีเนื้อที่ไม่ดีนะมีเนื้องอกนะมีบะเร็งนะหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องรไหมครับว่าการเซิร์ชแบบนี้นะครับหรือการตรวจแบบเนี้ยเป็นการตรวจแบบราย ล, ายละเอียดมากๆเลย มีการตรวจที่ละเอียดมากกว่านี้อีกเช่นเพดสแกนนะหรือว่าอิเล็กตรอนหรืออะไรก็แลบบ้วเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าการตรวจแบบนี้เป็นการที่อะไรที่มนุษย์เนี่ยนะครับคลำไม่เจอนะครับไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรที่เป็นการเริ่มต้นระยะแรกเนี่ยเราก็หาเจอได้จากเครื่องมือต่างต่างอังนี้พี่น้องครับด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และด้วยพระชนะของพระเจ้าทําให้พระเจ้าเนี่ยรู้จักเราและพปร่งเซิรช์ชเข้าไปในชีวิตของเรา นะครับและตรงนั้นอ่ะทำให้เราเนี่ยได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราไม่เคยเห็นในชีวิตของเราเราไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยหรืออย่างนี้เนี่ยมันผิดปกติด้วยหรือพี่น้องรู้ไหมเพราะหลายในครั้งทีเดียวเนี่ยเราคิดว่าเราก็โอเคแล้วนะเราดีแล้วนะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าเซิร์ชเข้าไปในชีวิตของเรานะแล้วเรายอมให้พระเจ้าตรวจสอบชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายอย่างมากทีเดียวครับที่เราผิดพลาด อย่างชนิดที่เราไม่รู้ตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกลับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งทีเดียวนี่ครับพระเจ้าตรวจตาวิถีชีวิตของเรานะครับถ้าเรายอมในข้อที่สามพระเจ้าบอกว่าพระองค์ตรวจตาวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พระเจ้ารู้จักเราพระเจ้ารู้จักทางที่เราเดิน รู้จักวิธีที่เรานอนและคุ้นเคยกับทางที่เราเดินคําว่าคุ้นเคยเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนกับคนที่รู้จักกันมานานมากเลยเพิ่มผีภาษาฮีบรูใช้คําว่าคุ้นเคยนะครับรู้จักดีเป็นเกลอกันเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมายี่สิบปีรู้ว่าคนคนนี้คิดยังไงผมอยากจะยกตัวอย่างคนที่แต่งงานมานะครับสิปีเราจะรู้จักคู่สมรสของเราในระดับหนึ่งพอยี่ปีพอสาิปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง จนกระทั่งว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้คําพูดมองตากันก็รูลร้ลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่พระองค์ผีพูดว่าพระเจ้าคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของเรารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกของพระองค์เนี่ยคนนีนะ้เจอแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้นะครับลูกของพระองค์เจออีกแบบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะตอบสนองอย่างนี้จะคิดอย่างนี้จะร้องไห้จะหัวเราะจะทําอย่างนี้พระองค์คุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของพวกเรา <Krist ian> นี่คือสิ่งที่พระเจ้ารู้จักเรานะครับ <inaudible> ไม่มีใครรู้จักเรามากกว่าพระเจ้ารู้จักเราแม้ว่าตัวเราเองเราคิดว่าเรารู้จักตัวเองก็ยังไม่มากพอเท่ากับพระเจ้ารู้จักเราข้อสี่ครับข้าแต่พระเยโฮ ว, วาแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพงษ์จะพูดพรงษ์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว <inaudible> พี่น้อง ร, <directions> ร, รู้ไหมครับว่าความคิดของเราแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกคือความคิดที่ไม่ได้พูดออกมาประเภทที่สองคือความคิดที่พูดออกมาบางครั้งความคิดที่พูดออกมา นะครับก็ไม่เหมือนกับความคิดที่เรามีอยู่ในใจนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าคนหน้าไหวหลังหลอกเพียงพิเศษก็ว่าหน้าซื่อใจคดเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้จักเราก่อนที่เราจะพูดด้วยซ้ําและรู้ว่าเราคิดอะไรจริงๆไม่ต้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่าเนี่ยกําลังจะพูดแบบเนี้ยแต่พอจสถานการณ์เปลี่ยนปุ๊บเราต้องพลิกลิ้นขลังพลิกลิ้นไปพูดอีกอย่างหนึ่งเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับใช่ไหมครับบางคนบอกว่าประจําเลย คนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการพูดนะครับเช่นพนัก ง, งานขายนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเอาโอกระใจสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านี่จะ ต, ต้องมีการมีวิธีการพริกบางสีบางอย่างเพื่อที่ให้พูดแล้วไม่กระทบกระเทือนนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้ก่อนที่ลิ้นของเราจะพูดจะเอ่ยนะครับในข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ พระเจ้าคุ้มครองเราเสมอครับพงรู้ล่วงหน้าว่าเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรและเราจะเดินไปทางไหนพระเจ้าอยู่ล้อมหน้า <Lap> id, ล้อมเหลัาเราตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมครับว่านี่คือความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตของเราเนะเมื่อเราเดินออกไปนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าอย es ู่ข้างหน้าข้างหลังข้างๆเวลาที่เราแต่งงานนะครับพระเจ้าเรามีคำอธิษฐานขอพระเจ้าท <Speaker, S 2> ี่จะช่วยเราพระเจ้าอยู่ข้างหน้าคือพระเจ้าทรงนําพระเจ้าอยู่ข้างหลังคือพระเจ้าคุ้มภัยพระเจ้าอยู่ทางซ้าย อยู่ทางขวาหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นเพื่อนนะครับเป็นที่ปรึกษาทรงเป็นทุกอย่างของเราในขณะเดียวกันพระเจ้าอยู่เบื้องบนครับเวลาที่เรานอนหงายอยู่บนโรงพยาบาลอยู่บนเตียงคนไข้นะเรามองขึ้นไปข้างบนนะครับในขณะเดียวกันพระเจ้าก็อยู่ข้างล่างพระเจ้าเป็นพื้นฐานทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราทั้งหมิติก็คือซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนข้างล่างพระเจ้าล้อมรอบเราตลอดเวลาพี่น้องสังเกตและพี่น้องรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่า รู้สึกไหมครับเราเรามีพระเจ้าผู้ทรงเข้าใจเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราล้อมหน้าล้อมหลังเราและประการประโยคที่สําคัญในที่นี้ก็คือว่าวางพระหัตถ์บนชีวิตของเราหมายความว่าคุ้มของเราทุกอย่างรพระผ่ของพระองค์อยู่เหนือเราทุกอย่างการปกป้องคุ้มครองอารักขาอยู่เหนือเราทุกอย่างพี่น้องอาเมนไหมครับพระเจ้ารู้จักเราถึงขนาดนี้และพระเจ้าปกป้องเราถึงขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนี่คือประกันแรกของ เพราะจะน้าพระเจ้าเนี่ยวันนี้คือพระเจ้าทรงรู้จากเรา God k n o w us นะครับประการที่2ครับเมื่อพระเจ้าทรงรู้จักเราสิ่งที่จําเป็นก็คือว่าการเราต้องรู้นะครับว่าการหนีจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในข้อที่ในข้อที่7จ็ดนถึงข้อที่12นะครับในข้อ7จ็ริงข้อ12กล้าพรองค์จะไปไหนให้พ้นจากพระวิญ ญ, ญาณของพระเจ้าได้เล่า หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยันสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรืออาศัยอยู่ขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระราดของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และผาดขาของพระองค์นั้นจะฉวยข้าพระองค์ไว้พี่น้องครับมีพระเจ้าองค์ไหนไหมที่รักมนุษย์มากเท่ากับ พระเยววาพระเจ้าของเรามีไหมครับพี่น้องไม่มีครับนะและพระเจ้าของเราเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาทุกโหนทุกแห่งนี่คือลักษณะของพระเจ้าสามอย่างนะครับที่สาคัญที่สุดพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันธอยู่คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสองพระเจ้านั้นทรงอยู่ทุกโหนทุกแห่งนะครับสามพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทาไม่ได้ทรงน้ในภาพสูงสุดอนานาจให้พิไตสูงสุด สอย่างนี้ครับเป็นลักษณะหลักของพระเจ้าเลยเรามีพระเจ้าแบบนี้ครับพี่น้องเรามีพระเจ้าที่สามารถเดินทางไปกับเราที่ไหนได้หมดทุกที่โหทุกแห่งนะครับศาสนาเดิมเราต้องพกพระเจ้าไปพกพระไปใช่ไหมครับนะถ้าหลุดออกจากของเราเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาจจะพระไม่อยู่ด้วยแต่เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าติดตามเราไปทุกขนทุกแห่ง พระเจ้าคุ้มครองเรานะครับทุกหนทุกแห่งแล้วพังพีบอกชัดเจนครับว่าถ้าจะไปสวรรค์พระ อ, องค์ก็อยู่ที่นั่นถ้าจะลงไปในแดนคนตายโพระงเขาอยู่ที่นั่นไม่มีทางที่เราจะหนีจากพระเจ้าได้บางคนอ่านพังพีตอนนี้รู้สึกหน้ากลัวจังเลยพระ อ, องค์เจ้าข้าขอไม่เวลาส่วนตัวของข้าโพระง์บ้างไม่ได้เหรออยากจะทําตามใจอยากจะให้ชีวิตมันเป็นยไงครับมันมันแบบมันแบบสุดๆไปเลยแบบนั้นนะ่ะได้หรือเปล่าคําตอบคือคําตอบคือ ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีพระเจ้านะครับเราจะไม่เกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นมนถินเราจะไม่เกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นความบาปเราจะไม่เกลือกลัวกับอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้ยเห็นนี้เองทําให้ชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยนะครั บ, รบเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านานเข้านานเข้าเรื่อยชีวิตคริสเตียนเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นจะสะอาดมากขึ้นจะไร้มนถินมากขึ้นนะครับถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออก หรื้าพงศ์จะอาศัยอยู่ที่ขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพราดของพระงศ์จะจูงข้าพงศ์ผาดขวาของพระงค์จะเ่วยข้าพงศ์ไว้เมื่ออ่านข้อพัมภีข้อนี้นะครับคิดถึงใครหรือไหมครับเป็นผู้เผยพระชนะโยนาครับพี่น้องจำโยนาได้ไหมครับโยนาเนี่ยพระเจ้าสั่งให้เขาเนี่ยไปประกาศนําคนนีนาเวคนเมืองนีนเวให้กลับใจเสียใหม่พี่น้องรู้ไหมครับว่าโยนาเนี่ยมีเหตุผลที่ไม่ไปเมืองนีนเวมากเลยครับเพราะอะไรครับ เพราะนีนเวเนี่ยเป็นศัตรูกับอิสราเอลและสมัยนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะตกเป็นตกเป็นประเทศาราชตกเป็นเมืองขึ้นของนีนเวนินาเวก็ข่มเหงข่มเหงและทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยแคว้นสมาเรียเนี่ยนะครับก็เขามาครอบครองแคว้นสมาเรียแล้วก็ทําลายชนชาติอยู่นะครับถึงสิบเผ่าด้วยกันหายไปหมดเลยแล้วถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเรามีเหตุผลเพียงพอไหมครับที่จะปฏิเสธพระเจ้าและหนีพง ว, ว่าพงเจ้าข้า ผมไม่อยากให้ศัตรูของคนอิสราเอลนะมาทําร้ายประชากรของพระองค์แล้วนี่พระองค์ยังสั่งให้ผมเนี่ยจะไปประกาศให้เขานำรับเชื่อเขาอีกหรือมีเหตุผลของโยนามากมายเลยบอกว่าไม่อยากไปอะ่ะแต่พระเจ้าไม่ยอมใช่ไหมครับแต่เมื่อพระเจ้ายืนยันตรงเนี้ยโยนาก็ไม่ยอมเหมือนกันโยนาก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปที่อื่นไปทางตะวันตกไกลโพ้นเลยครับและคิดว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะหนี จะหลบนะจะบายเบียงไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เขาคิดของเขาพี่น้องสังเกตดูนะคนของพระเจ้านะยังไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่ครัวเนีนไหมครับโยนานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขากำลังหนีออกจากทางของพระเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีในพระคัมภี์ตรงนี้ไี้บอกว่าข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระองค์ได้ขึ้นไปยังสวรรค์ลงไปยังแดนคนตาย พระหัตถ์ของพระเจ้าจะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ของพระเจ้าจะฉวยข้าพระองค์ไว้พี่น้องดูวิธีการที่พระเจ้าฉวยโยนาไว้ทําไงครับจับเขาเนยใส่เข้าไปอยู่ในท้องปลาและในที่สุดโยนาก็กลับมาอยู่ในน้ําระทัยของพระเจ้าพี่น้องคําว่าชฉวยนะครับเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะําว่าฉวยเนี่ยอาจจะฉวยแบบเบาๆก็ได้อาจจะสกิดๆนะครับหรือพระเจ้าจะเขี่ยชีวิตของเราก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนี่พระเจ้าช่วยแบบที่โยนาช่วยนะชีวิตของเราเนะี่ยบางครั้งก็จะลําบากนะนะจะเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าเราออกจากทางของพระเจ้านะยิ่งไปไกลเท่าไหร่เท่าไหร่นะพระเจ้าช่วยกลับมาเนี่ยนะครับนะแล้วคุณจะหนาวพี่น้องพระมีบอกว่าอะไรครับพระหัตถ์ของพระองค์ยังจูงข้าพระองไว้นะพระขวานของพระองค์จะช่วยข้าพระองคไว้และข้อ11ครับ ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข่าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข่าจะเป็นกลางคืนพี่น้องรู้ไหมครับว่าในท้องปลาเนี่ยโยนาเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ไหมมีความสว่างไหมครับมีแต่วความมืดล้อมรอบและบทเพลงของโยนาที่โยนาบอกนะครับว่าสาหรายก็พันตัวข้าพระองค์นะนะความมืดก็ล้อมข้าพระองค์ไว้อยู่ในท้องปลาไม่มีความมืดขอโทษไม่มีความสว่างครับมีแต่วความมืดทึบเลย หายใจก็คงจะหายใจอยู่บนเหนือน้าย่อยของของปลานะหายใจมันะ้ยก็ปลาคงตัวใหญ่มากใช่ไหมครับและในท้องมันก็คงจะมีลมนะเหมือนกับเราเราที่มีลมเนี่ยนะก็หายใจหยงนั้นนะนะครับถึงเวลาปุ๊บนะครับสามวันปลาใหญ่ตัวนั้นก็กเขาเรียกว่าอะไรครับสรอกโยนาออกไปบนแผ่นดินแห้งความมืดแม้ว่าจะคุมตัวไว้นะครับหรือ รอบตัวของเรานั้นไม่มีแสงสว่างนะหรือเราจะทำที่นอนไว้แดนคนตายพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นสําหรับพระองค์แล้วแม้ความมืดก็ไม่มืดสําหรับพระองค์แล้วกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างในที่นี้ให้ความหมายความหมายหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะซ่อนอะไรไว้นะครับไม่มีทางที่จะหนีพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าได้ไม่ว่าความมืดคุณซ่อนไว้ความมืด ตรงไหนก็แล้วแต่ความมืดข อ, ของพระเจ้านั้นก็คือความสว่างของพระองค์ความมืดกับความสว่างไม่แตกต่างกันเลยถามว่าทําไมครับเพราะว่าในพระองค์นั้นไม่มีความมืดพี่น้องจําได้ไหมครับว่าตอนที่พระเจ้าเนะี่ยทรงสร้างโลกวันในวันแรกเลยนะครับพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์หรือ ย, อยัางเปล่าใช่ไหมครับแต่ในวันแรกเนี่ยมีความสว่างและความมืดมีเวลาเย็นและเวลาเช้าถามว่าความสว่างมาจากไหนครับ มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเคลื่อนตัวไปที่ไหนที่มีความมืดที่นั่นก็สว่างหมดถูกไหมครับนี่แหละคือความสว่างที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดสำหรับพระองค์กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันและสำหรับพระองค์ความมืดก็เป็นอย่างความสว่างเพราะฉะนั้นให้เราดูในประเด็นที่สองนะครับไม่มีทางที่จะหนีจากพระเจ้าได้อย่าพยายามครับ ความพยายามของเราจะเสียเปล่าอย่าพยายามครับความพยายามของเราจะทำให้เราเหนื่อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราสำรวจตัวเองนั้นเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงรู้จากเราและเราไม่สามารถหลบพระองค์ได้เราเข้ามาสู่ประการที่3ครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยครับเราต้องยอมเพราะอะไรพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องดูพระคมภีนะครับที่เตียมไว้ขออาจารย์ได้เปิดพระคำภีตรงนี้นะครับ ในข้อที่สิบนะครับในข้อบพระเจ้าทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมานดานะครับพระเจ้าเนี่ยพัมพีบางเล่มบางฉบับเนี่ยใช่ว่าปั้นที่นี่เราเห็นความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมของพระเจ้าในการสร้างชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับ พระเจ้าถักทอเราตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแล้วการถักทอตรงนี้นะครับยังไม่สำเร็จเลยจนถึงทุกวันนี้ในชีวิตของผมเพราะอะไรครับผมจะกลายเป็นผ้าหรือเป็นพรมนะครับที่สวยงามมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆนะการถักทอของพระองค์เนี่ยยังไม่เสร็จนะในข้อ13บบอกว่าพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนหรือทรงปั้นชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ ในการปั้นหรือการถักทอเป็นภาพที่ทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าประณีตครับในการสร้างชีวิตของเราในขณะที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงห่วงนะพระเจ้าเลิฟพระเจ้าแคร์ในเดียวกันเนี่ยนะครับพระเจ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องลองสังเกตดูนะครับชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยสามเข้าเดือนที่สามแล้วนะครับนะ เข้าเดือนที่สามแล้วนะเข้าเดือนที่สามปุ๊บเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปีปีต้นปีนี้นะครับวันที่หนึ่งเนี่ยเราปรณนาตัวใช่ไหมครับเราอธิษฐานเราสัญญากับพระเจ้ายัางไงบ้างถามว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงสวยงามมากขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นัหมครับมากขึ้นหมเราความคิดของเราเนี่ยคิดดีมากขึ้นมากขึ้นเยอะไหมสิ่งที่เราพูดเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นมากขึ้นไหมหรือสิ่งที่เราทําเราทําดีมากขึ้นมากขึ้นไหมมีคนที่เรารักเขามากขึ้นมากขึ้นไหมเราประกาศพระกิตติคุณเป็นพยานฝ่ายพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่างานการที่เราทําเจริญขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้ายังถักทอชีวิตของเราอยู่นะครับพระเจ้ากําลังปั้นชีวิตของเราอยู่นะครับที่นั่นครับเราจะสวยขึ้นทุกวันทุกวัน อาเมนใหญ่เลยนะครับเราจะหล่อขึ้นทุกวันทุกวันเราจะสวยงามงามสง่าขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าถักทอและทรงปั้นชีวิตของเราในข้อ14ครับข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์อย่างน่ากลัว พ, พิ่งพีชใช้คําว่าหน่าครั้นครามชีวิตของเรานะีไม่ธรรมดาครับพี่น้องถามว่าทําไมไม่ธรรมดาเพราะเรารู้ว่าเรา ถูกสร้างโดยพระเจ้าพระเจ้ารู้จักเราหมดทุกอย่างนะครับในขณะที่เรายอมให้พระเจ้าเนี่ยสํารวจชีวิตของเราผ่านทางพระเจนะและผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็สวยงามขึ้นสวยงามขึ้นเรื่อยๆและถึงจุดจุดหนึ่งเราจะรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าครับเพราะอะไรครับเพราะเรามองกลับมาในชุดของเราเรามองเข้าไปในกระจกกระจกด่สะท้อนออกมามเดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่ความแก่นะครับ แต่ว่าเราเนี่ยเราสง่างามขนาดนี้แล้วเหรอเราภูมิฐานขนาดนี้แล้วหรอเราเติบโตฝ่ายวิญญาณถึงขนาดนี้แล้วหรอพี่น้องครับกระจกนี้ไม่ใช่เป็นกระจกเงาแต่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราบอกอืมอันนี้เราท่องได้อันนี้เรารู้จักและเราทํามาแล้วมีประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่อยู่ข้างในและเราเอื้อนเอ่ยไม่เป็นวาจาที่ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่นําเราถึงขนาดนี้พี่น้องรู้ไหมครับแ ม, ม, ม, ม้พัมพีนี่มีศั์ภาษาฮีบรูอยู่คำหนึ่งใช่ว่าเอเบนเอเซอร์เอเบนเอเซอร์เป็นชื่อของคนนะครับและชื่อของเขาเนี่ยมีความหมายว่าพระเจ้าทรงนําเรามาจนกระทั่งถึงบัดนี้พระเจ้าทรงนําเรามาจนกระทั่งถึงบัดนี้พี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องพี่น้องอาจจะไม่ต้องตอบแต่ตอบในใจนะบอกว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่า เมื่อเราถอยกลับไปดูนับประภรของพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นการถักทอของพระเจ้าในชีวิตของเรานะเห็นการปั้นชีวิตของเราจากพระเจ้านะพี่น้องรู้สึกไหมว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินอาวมีไหมครับฮาเลลูยาอยากจะขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินในชีวิตของเราและจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เรากลับมาดูในข้อที่14บอกว่าข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์ น่าคั้นครามมากอัศจรรย์มากหูเปลี่ยนชีวิตของเราขนาดนี้ได้ยังไงพระองค์ปรับแต่งชีวิตของเราปรับแต่งชีวิตของคุณและผมมาขนาดนี้ได้ยังไงพระองค์เจ้าค่ะเดิมนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเดิมนี่มันแย่กว่านี้เยอะเดิมนี่หลายๆคนเนี่ยรังเกียจแต่ตอนนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นที่นิยมชมชอบกลายเป็นที่รักโดยเพิ่งยิ่งเป็นที่รักของพระเยซู พ, พี่น้องเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของเรานะครับว่า พระเจ้านั้นสร้างเรามาอย่างชนิด อ, อัศจรรย์ทีเดียว Wonderfully made นะครับข้อสิบแปดครับขอโทข้อสิบห้าโครงสร้างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลีประดิษฐานขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างวันทั้งสิ้นที่กาหนดไว้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไวในหนังสือของพระองค์ พี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกวินาทีที่เราหายใจนะพระเจ้าทราบหมดทุกอย่างและอยู่ในนามาถ่ายและแผนการของพระเจ้าวันใดก็ตามที่เราพยายามหลุดออกจากแผนการของพระเจ้าความรับผิดชอบเกิดขึ้นที่ตัวเราเองแต่ถ้าวันใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าความรับผิดชอบนั้นอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าจะเป็นคนที่รับผิดชอบและรับประกันชีวิตของเราับพี่น้อง เวลาที่เราอยู่ในทางของพระเจ้าเรามีความมั่นคงปลอดภัยอย่างแน่นอนแบบร้อยเปอร์ซตถ้าต่าไปก็ตามที่เราตัดสินใจเดิอนออกนอกทางของพระเจ้าตรงนั้นแหละวินาทีนั้นแหละเราต้องรับผิดชอบตัวเองครับแต่ถึงกันนั้นก็ดีพระเจ้าก็เปิดโอกาสเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอเมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อเรายอมสารภาพบาปเมื่อเรายอมคุกเข่าลงต่อหน้าพระของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะดูแลเราดึงเรากลับมาสู่ สู่น้ำมันไยของพระเจ้าพระเนตรของพระเจ้านั้นเห็นเราตั้งแต่ยังไม่รู้เป็นร่างนะครับแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าตั้งแต่เรายังเป็นวุ้นเรายังเป็นวุ้นพระเนตรของพระเจ้าก็จดจ้องดูแลเราวันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์แล้ว น, นั่นหมายความว่าวาระและโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับน้ําขึ้นทุกๆน้ําขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้ากําหนดไว้แล้วน้องครับ พระเจ้ารักเราถึงขนาดนี้นะตั้งแต่ยังไม่เกิดวันนั้นเลยยังไม่มีวันนั้นเลยพระเจ้าก็เตรียมไให้กับเราแล้วถามว่าทําไมพระเจ้าเตรียมไว้กับเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่อยู่ภายใต้มิติของเวลาและพระเจ้าสร้างเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้มิติของเวลาในขณะที่เราอยู่ในภายใต้มิติของเวลาพระเจ้าอยู่เหนือมิติพระเจ้าเคลื่อนไปเคลื่อนมาในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ตลอดเวลาและนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เราไม่เข้าใจ ในข้อสิบครับบอกว่าค่าแต่พระเจ้าสําหรับค่าพระองค์แล้วพระดําริตของพระองค์ล้าค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาไม่มีวันที่เราจะเข้าใจพระเจ้าได้พี่น้องขณะที่เราดําเนินกับพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยช้าแดงนะครับน้ำมัทยัยของพระองค์ทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวภาษาอังกฤษว่า step by step ถ้าเราดูชีวิตของอับราฮัมนะครับเวลาที่อับราฮัมเนี่ยออกจากเมื อ, เ อ, อมงเอ๋อเมืองเอ๋อซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนเขานะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขานะ ออกจากเมืองเออพระเจ้าบอกว่าเราจะนําเขาไปถึงไงดินแดงไงพันธัญญาที่เรามอบไว้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้าอับราฮัมนี่นะครับไม่ได้รู้หรอกครับพระเจ้าจะนําเขายังไงนําเขาอย่างไงไงแต่พระมีบันทึกว่าพระองค์ทรงนำทีละก้าทีละเก้าทีละก้าทีละก้ามนนำไปเมืองนี้นะให้หยุดอยู่ที่นี่จากเมืองนี้ไปเมืองนี้จากเมืองนี้ไปเมืองนี้มาถึงเข้าแผ่นดินพันธัญญาก็ยังไปที่อียิปต์จากอียิปต์ก็กลับมาอีก และต้องทําอะไรหลายสิ่ายอย่างตามน้ำพระเพระเจ้าสเต็ปบายสเต็ปและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยปรากฏว่าอับราฮัมเนี่ยไม่มีลูกเพราะนางซาร่าเป็นหมันจะเชื่อได้ยังไงครับว่าพระเจ้าจะเปิดคันของนางซาร่าเพราะนางซาร่าแก่แล้วตัวอับราฮัมก็แก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีลูกไม่มีแต่การอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าถักทอพระเจ้า ปั้นอิสอักตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยยังไม่ถึงวันนั้นเลยแต่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมครับว่าอับราฮัมเจ้าจะมีลูกหลานเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าและเหมือนกับเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลพี่น้องมีครับว่าวันยังมาไม่ถึงแต่พระสัญญาเนี่ยถึงแล้วเส้นของพระสัญญาเนี่ยนะครับครอบคลุมอนาคตครับนะพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยวิ่งไปในอนาคตเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนของพระเจ้าเนี่ยว้ายวางใจพวง เพิ่มีตอนนี้บอกว่าพระเจ้านั้นได้ถักทอเราพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราพี่น้องไหมครับว่าเราจะตอบสนองพระเจ้ายังไงในบ่ายวันนี้เราตอบสนองด้วยการมอบชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แล้วสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยพระเจ้าให้เรารอนะครับหลายปีทีเดียวหลายวันทีเดียวหลายเดือนทีเดียวแต่เมื่อถึงเวลาและเวลาของพระเจ้าน้ามันขึ้นมาขึ้นมาเองครับ ผมอยากจะพี่น้องว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็สงสัยพระเจ้าว่าทำไมพระองค์เจ้าค่าสิ่งที่ลูกอยากได้พระองค์ไม่ให้ทักทีนะครับสิ่งที่ลูกอธิษฐานมานานเหลือเกินพระองค์ยังไม่ให้เมื่อกี้ผมพูดนะครับในที่ศาราสอบอกว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยครับฝนนะครับที่เทลงมาเป็นพระพรของพระเจ้าเนี่ยจะไม่เทลงมาจนกว่าเราจะหง้ไง้ขันไงยขันขันนี่คือชีวิตของเราเนี่ยจะไงยเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะรับพระพรตรงนี้ ผมพูดย้ำเสมอว่าพระพรยังไม่มาถ้าเราไม่หงขันนะครับพระเจ้ายังไม่เทเลยพระพรลงมาในชีวิตของเราเชกเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ยังไม่เทพระพรลงมาในคริสจักรของเราถ้าเราไม่หงขันของเรารับพระพรนะครับพระพรจะลงมานะครับบางทีก็แปะแปะแปะเป็นไรครับเป็นฝนตกแบบพลอยแปะแปะแปะแล้วก็หายไปนะลองดูก่อนว่าคุณยังไงขันไหมนะ ข้าพเจ้าลองมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณไม่หงายเนี่ยนะครับโอกาสก็ผ่านไปแต่เมื่อฝนเริ่มแปะแปะแปะปะพี่น้องครับเราเริ่มหงายขันเพราะเรารู้ว่าพระพรกําลังมาแล้วแล้วหงายขันชีวิตของเราเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพระพรก็แปะแปะปะจากแปะแปะแปะนี่ลงเป็นฝนเทลงมาทั้งหาเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นพระพรของพระเจ้าที่ลงมามันเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเราขาดฝนเมื่อไหร่แสดงว่าขันของเราคว่ำอยู่ เพราะฉะนั้นการสำรวจตัวเองในบ่ายวันนี้ก็คือว่าเราสำรวจชีวิตของเราครับว่าขันของเรานะฮะมันหงายเลยมันคว่ำคนบางคนอาจจะมีขันหลายใบนะฮะฝนตกมาขันใบนี้หงายใบนี้ควา่าก็รับไม่เต็มที่ครับนะได้บ้างไม่ได้บ้างคนอื่นที่หงายขันเนี่ยเขาได้หมดแต่เรานี่ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอะไรเพราะขำขัน บางขันของเรายัางคว่ำอยู่พี่น้องครับในเทศกาลแห่งการสํารวจตัวเองนี้เราต้องสํารวจว่าขันใบไหนในชวิตของเรานะคว่ำอยู่บ้างนะขอพระเจ้าหงายออกมาการหงายขึ้นมาก็คือการกลับใจใหม่ครับพี่น้องการกลับใจใหม่จากสิ่งต่างที่เราทําผิดทำพลาดไปพี่น้องอย่าลืมนะครับผมเข้ามาข้อสุดแล้วนะครับพระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างดีไม่มีทางที่เราจะหนีให้พ้น พระเจ้าได้แต่พระเจ้ามีวิธีการที่จะทําให้เรากลับมาและการกลับมานั้นจะเป็นการฉวยแบบแรงหรือแบบเบาขึ้นอยู่กับระยะห่างวิธีการของพระเจ้าที่มีกับเราทั้งหลายแต่ละคนและในที่สุดนะครับเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการปั้นแต่งชีวิตของเราให้ดีชีวิตของเราในที่สุดจะสวยงามเป็นที่ถวายเกียรติแต่พระเจ้าแต่เราต้องยอมกลับใจยอมให้พระเจ้าปั้นแต่งชีวิตของเรานี่คือการสํารวจชีวิตดีนะครับ กลับมาถึงสุดท้ายผมอยากจะสรุปนะครับุขอุปกรณ์สองอย่างที่พระเจ้าจะใช้อุปกรณ์แรกก็คือพระกัมพีพระชนะของพระเจ้าเราต้องจัดระเบียบชีวิตของเราให้เราอ่านพระชนะพระเจ้าทุกวันเหมือนกับเราเข้าห้องน้ำดูกระจกหวีผมนะครับตามใดก็ตามที่เราลุกขึ้นเราอาบน้ำ วีผมแต่งตัวออกไปทำงานโดยไม่อ่านพระวจนะพระเจ้านะครับท่านต้องรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วคืออะไรครับเราไม่ได้ส่งกระจกฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับเราไม่ได้ส่งกระจกฝ่ายจิตวิ ญ, ญ, ญงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในชีวิตของเราแต่ละวันถ้าเราอ่านพระจนะของพระเจ้านะครับเครื่องมืออันที่สองก็คือว่า เราจะต้องขอครับพระคัมภีร์สุดีบทที่139นี้เป็นคำขอเป็นคำอธิษฐานนะภาษาอังกฤษนะครับมีเพลงภาษาอังกฤษว่า search me o oh lord นะขอพระเจ้าได้สำรวจตรวจสอบนะสแกนชีวิตของเราเพื่อที่พระเจ้าจะให้ค่าพระองค์รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดในชีวิตของเราบ้างนี่ครับคือการสแกนหรือการ search search เข้าไปนะครับ เนี่ยเซิร์เข้าไปเพื่อที่เราจะรู้เพื่อที่เราจะกลับใจใหม่เพื่อที่ขันของเราจะถูกหงายขึ้นมาครับพี่น้องและเมื่อวันใดก็ตามเวลาใดก็ตามที่ขันหงายขึ้นมาแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระพลอเนี่ยลังไหลลงมาจกนกระทั่งล้นออกไปพี่น้องเคยมีชีวิตที่มีความปรับรื้มใจมีความยินดีแล้วความสุขเนียมันล้นออกไปถึงผู้อื่นไหมคนรอบข้างบอกว่าทาไมคุณมีความสุขจังนะ ทำไมเศรษฐกิจตกต่ำขายของไม่ค่อยได้นะหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ทำไมคุณยังมีความสุขอยู่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความสุขในใจลึกๆที่เราใช้ค ว, าว่าจอยไม่ใช่ควาว่าแฮปปี้นะจอยครับก็คือสุขได้เมื่อมีทุกสุขได้เมื่ออยู่ท่ามกลางความลำบากสุขได้แม้เจ็บป่วยสุขได้แม้ไม่พึงพอใจพี่น้องเองครับความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ อยู่ท่ามกลางมรสุมได้เป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งเอาไปชีกได้เป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์แวดล้อมบางคนอาจจะไม่ทำบางคนอาจจะทำให้เราไม่พอใจแต่เรามีความสุขได้เห็นไหมครับบางคนอาจจะทําให้เราเสียใจบางคนอาจจะทําให้เราผิดหวังแต่ว่าเรายังมีความสุขได้เพราะพระเจ้าของเราไม่เคยทําให้เราเสียใจพระเจ้าของเราไม่เคยทําให้เราผิดหวังพระเจ้าพระเจ้าของเราไม่เคยทําให้เราไม่มีความสุขหรือขาดความสุขนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่าพระเจ้าในขณะที่พระองค์รู้จักเราคําถามของผมก็คือว่าแล้วเรารู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรหรือยังเรารู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรหรือยังนะครับว่านี่เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับที่เราจะผมอยากจะเป็นการบ้านให้กับพี่น้องว่าเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นหรือยัง จากตรงนี้เองทําให้เราต้องกลับมานั่งดูชีวิตของเราครับว่าเราตรวจสอบชีวิตของเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่เรารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นอย่างที่เรารู้จักพระองค์หรือเปล่านะครับอย่าให้เรารู้จักแบบเดนนิสเนี่ยคนเนี้ยนะครับอย่าเรารู้จักแต่ว่าเราไม่เคยเจอเลยน่าเสียดายมากนะครับหลายคนก็มาโบสทํทาร้ไร้อย่างเยอะแยะแต่ให้เราแสวงหาประสบการณ์ในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูการช่วยรอดของพระเยซู ในฤทธิ์เหตุที่พีสเยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเมื่อเรามีประสบการณ์อย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นพยานได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยเราจะนําคนรับเชื่อพระเจ้าได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยของเราเพราะเราเห็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราจะให้เขาเนี่ยมีชีวิตดีๆเหมือนเราบ้างเห็นไหมครับพระเจ้าปั้นแต่งพระเจ้ารู้จักเราและพระเจ้านําเรานี่คือชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระองค์ทรงโปรดนําพาให้ชีวิตของเราเนั้น ที่จะเป็นเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบนะการค้นหาว่าเราเป็นยังไงและเราจะรู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นยังไงด้วยก็พระเจ้าวอวยพรครับ